หมวดที่เจ็ดษุทุทั้งหลายเนืยอสกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงเพราะต้องอาบัติ 2. ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลาย